คนบางคนเหมือนตามมาเพื่อปรุงแต่งหัวของคุณให้วุ่นระเบิดไม่ว่าตัวเขาอยู่ใกล้หรือไกลคุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาคนอื่นคนใดใร่ใครก็ล้วนเป็นที่สุดได้แค่ความคิดปรุงแต่งในหัวชั่วคราวคนบางคนเหมือนเกิดมาเพื่อปรุงแต่งหัวของคุณให้โล่งสบาย ไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ขณะที่คนบางคนเหมือนตามมาเพื่อปรุงแต่งหัวของคุณให้วุ่นระเบิดไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพวกเราถูกหลอกกันทั้งชีวิตให้ตามยึดใครต่อใครนอกหัวนอกตัวหลงตามลากหลงตามรั้งคนบางคนเพราะนึกว่าจะได้มีชีวิตแบบโล่งหัวตัวสบาย หลงตามล้างหลงตามเช็ดคนหลายคนเพียงเชื่อว่าจะระงับอาการหัวปัน่นกรั้นเนื้อกลั้นตัวแต่จริงแล้วคุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่มีตัวใครในหัวคุณจริงสักคนแต่อาการคิดปรุงแต่งไปเองหลอกให้รู้สึกเหมือนคุณมีคนรักบางคนอยู่กับตัวหรือหลอกว่าคนชั่วร้ายหลายคนทรมานคุณอยู่ เพียงสังเกตออกมาตามนี้แล้วรู้ว่านาทีนี้ลมหายใจเป็นสิ่งติดตัวคุณจริงรู้ว่าหายใจเข้าครั้งก่อนมีใครเป็นความคิดปรุงแต่งในหัวรู้ว่าหายใจออกครั้งนี้ความคิดปรุงแต่งในหัวยังมีเข้าหรือเธออยู่ไหมเห็นแต่ความจริงที่ปราไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ออกไปไม่เหลือใครจริงสักคน มีแต่หัวและตัวเปล่ า, ลารู้ว่าจิตเป็นผู้รู้รู้ว่าแม้ผู้รู้ก็กลายเป็นผู้ไม่รู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้มีแต่รู้บ้างไม่รู้บ้างเพียงเท่านี้คุณจะเลิอกอยากตามยึดคนเลิกคิดตามล้างใครโล่งหัวตัวสบายมีแต่ใจนิ่งเป็นหนึ่งอยู่กับความรู้ว่าความคิดปรุงแต่ง เกิดขึ้นในหัวแล้วหายไปไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรมากกว่านั้นก็ได้